ต่อตรงนี้ไปขอชนาหลายโปรสดดบมหาปฏิบัาหน้าสูตรที่็นเรื่องปฏิบัติให้ยึดไว้เป็นหลักใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปในเรื่องขมวสีที่ปัชชาา้าเก้าท่านกล่าวตามพระบาลีว่ากุณะจปรังพิกวีพิโคตุเยข า, าปิแล้วก็ปัก สเสยะเสรีรังต้องขอว่าเท่านี้ <c oughs> ความก็มีว่าดูก่อนพิสุจทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสูุเหมือนกัว่าจะพึงเห็นเสรีระคือซ่าศพที่เขาไวที่งแล้วในป่าชา้าตายแล้ววันหนึ่งหรือว่าตายแล้วสองวันหรือว่าตายแล้วสามวันอังขึ้นพองเอือดมีสีเขียวน่าเกลียด เป็นสลีระที่มีน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดเธอก็น่อมเข้ามาสู่กาลิวทถึงแม้ว่าร่างกายพวกเรานี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาคงไม่เป็นอย่างอื่นไปได้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ และด isty, ้กล่าวต่อไปว่าพิสูจน์ย่อมพิจารณาให็นกายในกายเป็นไปในกายบ้างย่อมพิจารณาให็นกายเป็นไปภายนอกภายนอกบ้างย่อมพิจารณาให็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง ย่อมที่จะไหนธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสี่ยมไปในกายบ้างก็รู้ว่ากายนี้มีอยู่ก็เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เทอนั้นถ้าเพียงได้สักว่าเป็นที่รู้เพียงได้สักว่าเป็นที่อาศัยเลเล็กเธอมม ย, ย่ยอมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยนี่ท่นานว่าอย่างนี้ สำหรับข้อหลังเป็นวิปัสนาญาณให้เป็นอันสรุปรวบโรงใจความ <c oughs> สั้นๆว่าท่านให้พิจารณาเห็นกายเนี่ยทห็งกายลอกกายที่คือว่าคนตายที่ตายไปแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่เราทิ้งว่าในประชาร่าขึ้นเอ่นบ้างแล้วก็ต่อมาท่านก็นบอกว่า เป็นร่างกายที่ผู้แรงกายกินบ้างเป็นผู้แรงกายเป็นร่างกายที่รับประคุมจิตเกินบ้างหมูสุนัขกัดกินบ้างหมูสุนัขกิ่งจอกกัดกินบ้างหมูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินบ้างนี่จึงก็ว่ากนทั้งพันนาว่าไอ้ร่างกายที่มันตายแล้วเนี่ยมันมีสภาพที่ตรที่ในอย่างนี้แล้วก็ว่าต่อไปว่า ที่เขาที่ไปแล้วในป่าช้าที่เป็นแร่างกระดูกยังมีเนื้และเลือดติดอยู่บ้างยังมีเส้นเอ็นและตึงอยู่แต่ก็น้องเขามาผูกในกายในว่าทั้งกายนีทั้งกายนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันให้กล่าวต่อไปว่ารู้ว่าร่างกายที่เขาทิ้งไนแล้วในป่าช้าเป็นแร่างกระดูก ที่เพื่อนประเดืเอดแต่ปราศจากเนื้อยังมีเส้นเอ็นนัดรึงอยู่เธอก็น้องเข้ามาสู่ในกายนี้ว่าร่างกายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันรู้ว่าท่าว่าต่อไปว่าที่วันร่าซ่าศพที่เร า, า, ทเาทิ้งไว้แล้วในปา่าช้าเป็นร่ า, ากระโดงที่ปราศจากเลื้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอ็นัดรึงอยู่ กเนื้อกำลังมาถึงกายเราว่ากายร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นที่ในหนึ่งที่กล่าวว่าหรือเป็นซ่าศกที่ก็ทิ้งไว้แล้วในไป่าชาคือว่าเป็นท่อนกระดูกที่ปล่อยหลุดเป็นท่อนๆกระจายเส้นเอ็นมาถึงแล้วก็จายทั่วไปกระติดน้อยกระติศใหญ่นี่เป็นอันว่าท่านให้พิจารณาดูว่า ไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นกันสารผมขอสรุปสุดสั้นเพราะว่าถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันจะยาวเหยียดเมื่อร่างกายของเราที่เกิดมานี้อันนี้ถ้าพูดเกณฑ์ศพที่ผมต้องนำพระบาลีมากล่าวให้กันฟัง แต่ทีปผมปรารถนาอยากจะยกตัวผมในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเพราะว่าประเดือดขึ้นมาหลายจะคิดว่านี่เป็นคาสอนของผมผมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนท่านถ้าว่าท่านจะคิดอย่างนี้นะผมไม่มีความรู้สิะไร แต่ถ้าว่าบาังเอิญผมมีความรู้สึกอย่างท่านคิดแบบนั้นผมก็เลยลงเอาเวทีฉะนั้นขอท่านก็จงอย่าคิดถ้าคิดว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านขาดพุทธรัตนะถีอว่าขาดสิรณาคมท่านที่เป็นพระอยู่ก็พ้นจากความเป็นพระที่เป็นเลนอยู่ก็พ้นจากความเป็นเลน ป็นับาสุกุมบาสิกาก็พ้นจากความเป็นบาสุกุมบาสิกาท่านรู้เท่ไรเพราะเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดเพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจา้าถ้าไปนั่งเึกว่าผมเป็นพระพุทธเจา้ามันก็แย่แตนรู้ตัวผมเองก็เหมือนกันคำแนะนำสั่งสอนท่านาหลาย นี่แนะนำนี่ความจริงเป็นคำแนะนำสั่งสอนขององค์ ส, สมเด็จตรสมัสมส ม, สมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำแนะนำของผมผมนำเอาของท่านมาแนะนำท่านอีกทีหนึ่งเลยขอท่านหลายโจรับทราบว่าตามที่ต้องกาบารีมากล่าวให้ท่านฟังเอลากระทุ่งกระท่่นพระปัจจุบันทันด่วนเรือ <c oughs> งนี้ก็เพราะว่า เพื่อจะเปลี่ยนคาที่มีความรู้สึกว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาเองทีนี่เราก็มาพูดเกี่ยวกันเพื่อจมาถานข้อนี้ที่เรีกว่านาวสีคือป่าช้าเก่าแท้าาศพมีลักษณะเก่าอย่างถ้าเรียกว่ากันไปมันก็เหมือนกับขอที่เราเคยเห็นโดยคนตายหนึ่งวันบ้างคนตายสองวันบ้างคนตายสามวันบ้าง คนตายขึ้นอ่ดมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นโชนไ่นทั้งกายเมื่อผลลิตสุดอาการน้ำเหลืองไหลน้ำไหลไปหมดร่างกายกดทรมลงแล้วก็หนังหุ้มกระดูกมีกิ่นแสงปรากฏต่อไปหนังก็หมดแล้วเส้นเอ็นรัดเึงกระดูกเข้าไว ต่อไปเส้นเองก็หมดเหลือแต่กระดูกเป็นท่อนกระดูกยาวเหยียดเป็นรูปของกายกายมัเหลือแต่กระดูกและในที่สุดอ า, าอการข้อกระดูกที่รัดรึงกันอยู่ต่อกันอยู่ก็ขาดตกไปเป็นชิ้เป็นท่อนเลื่อยายก็จะจมหายไปในพื้นปฐพีอาการอย่างนี้องค์สมเด็จพระจนสีบรมศาถบพิตรสมมาสุภะเจ้า ต้องแนะนำว่าท่านนั่นหลายจงพิจารณาหิ้งกายในกายคือว่ากายของเราเนี่ยต่อไปมันก็มีสภาพอย่างนี้ในเมื่อสิ้นลมปราณแล้วเมื่อไร่เมื่อธาตุสีแตกความสามัคคีกันเมื่อไร่ร่างกายที่จัดว่าเป็นเรืนร่างมันก็ต้องสลายตัว ธาตุสี่จหมายถึงว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้นํำธาตุดังสีนี่มันต้องสามารถขีมีการรวมตัวกัน <c oughs> ถแต่หากว่าธาตุดังสียังมีกาลังสมำเสมอกันครบพ้นบริบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซนต์ร่างกายของบุคคล น, นั้นก็เป็นร่างกายที่มีอาการทรงตัวเป็นร่างกายที่ไม่มีโรค ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บปราศจากความอ่อนแอนี่ว่าเป็นร่างกายที่ไม่ต้องใช้ยารักษาโรค ก, กินแต่อาหารก็พอทีนี้ร่างกายที่จะเป็นโรค ก, ก็เพราะว่าธาตุสี่ธาตุดายธาตุหนึ่งมันหย่อนลงไปถ้าธาตุไปลดตัวลงร่างกายก็ขาดความอบอุ่น เรื่องความอบอุ่นมีบ้างแต่กันน้อยไปครอนนี้ก็ซักอยู่ความไม่สมบายกายไม่สมบายใจมันก็ปรากฏไม่ ว, ว่าธาตุน้ําน้อยลงไปธาตุดินธาตุไฟธาตุลมยังคงอยู่อย่างนี้ที่เขาต้องให้ยาทางแข็งหรือ ว, ว่าให้น้าเกลือกันเพราะธาตุน้ํามันน้อยร่างกายมันก็ทุดโบบ ท, ทรมหมดกำลัง <c oughs> เป็นอันว่าถ้าธาตุทั้งสี่คุมกันอยู่เพียงใดร่างกายก็ทงอยู่นี่สำหรับคนตายธาตุอะไรบันหายไปบ้างอันดับแรกที่สุดธาตุลมหายไปเมื่อธาตุลมหายไปแล้วมันก็เหลือแต่ธาตุไฟธาตุาน้ำธาตุดินลมเป็นเครื่องบนเปลือให้ไปติด ถ้าหาก ว, ว่าเราจะไปะจุดไฟในที่อับที่ไม่มีลมผ่านไม่มีอากาศไฟก็จะไม่ติดเม้จะเข้าไปในถ้ํำลึกๆแล้วถือไว้ฉายเข้าไปซึ่งมันมีกระแสะไฟเกิดจากพลังงานของฐานไว้ฉายเราก็ฉายไม่ติดเช่นกันที่ร่างกายนี่เหมือนกันถ้ทาท่านลมมันไม่มีแล้วถ้าไฟมันก็นลุกอยู่ไม่ได้ วันนี้สุดท้ายไฟมันก็สลายตัวเห็นไ่มคนตายเมื่อสิ้นลมปรานแล้ะร่างกายเย็นชื้นธาตุไฟมันก็หมดเมื่อาธาตุไฟมันหมดไปท่านลมหมดไปเลยถ้าธาตุน้ํากับาธาตุดินขณะที่ทาธาตุลมยังอยู่ท่านลมไประคบประคองให้ไฟลุกมีความอบอุอน่นทำดินให้รับความ ความแห้งความแกร่งพอทุมคนพอที่จะต่อสู้กระท่าน้าําได้ตอนนี้เมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟดับดินก็ไม่สามารถจะทศสู้น้ําได้น้ําก็ละลายธาตุดินธาตุน้ําที่มีอยู่ในร่างกายละลายธาตุดินก็ได้เจรเลือดผลที่สุดธาตุดินถูกละลายมากก็กลายเป็นของเละ็ะหมดความแข็ง น้ำก็ปูดออมามีอาการเาน่าเนื้อหนังมันก็เละไปหมดทนื่องจาก ด, ดินเละสู่น้ำไม่ได้เมื่อธาตุดินธาตุน้ำละลายดินจะเละออกมาสิ่งมันก็ปลายกดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ขังอยู่ในร่างกายก็ขยายตัวไม่มีใครควบคุมเพราะดินไม่แข็งดินอ่อนเสแล้วคุมน้ำไม่ได้น้ำก็ไหลออก มันไม่ไหลออกจากธรนธวานอยาเดียวมันซึมออกทั้งจุดของร่างกายแล้วก็เป็นน้ำสกปรกอ <c oughs> น้ำส่วนนีน้มีมาจากไหนเราก็ต้องดูกันว่า น, น้ำนี้มันมาจากไหนได้ความสกปรกต่างๆนี้มันมาจากไหนมันมาหลังจากเราตายไปแล้วหรือมันอยู่ในร่างกายตั้งแต่สมัยที่เรามีชีวิตอยู่แล้วค่อยตาย เมื่อพิจารณาไปแล้วก็จะทราบชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วในสมัยที่เราทรงชีวิตอยู่เราเดินไปเดินมานั่งอยู่ทำงานอยู่บริหารอยู่มีความปรารถนาอยู่ในสิ่งทุกอย่างสิ่งสุกภโลกทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ในกายเราครบถ้วนบางอย่างที่มันหลั่งไหลออกมาที่วิจาระปัสสาวะเราก็มีอาการังเก็บ เลือดเป็นที่ปรารถนาของคนว่าเลือดดีแล้วร่างกายงามมีความแข็งแรงแต่เมั้นเลือดได้ถูกมีดบาดเล่นดหนาต่ำเลือดไหลมานิดหนึ่งเราก็รังเกียจว่าเลือดสกปรกนี่เป็นอันว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามาดูซากศพแล้ว ถ้าจงมาดูว่าร่างกายของเรานี้มันก็มีสภาพอย่างนั้นที่เจ้นายเห็นเป็นของปฏิคูในสัญญาว่าร่างกายสุรกรบอกเพราะว่าสุภายาคือจําได้ไว้เสมอว่าร่างกายแล้วเนี่ยสุรกระบอกเหมือนกัทรากศกแบบนี้มันน่าจะตรงไหนและมือกายภายนนอกนั่นคือกายของบุคคลอื่น ว่ากายของบุคคลอื่นก็มีอาการสรกปรกเหมือนกันเป็นนั้นว่าถ้าเราจะประาการ่างกายของบุคคลอื่นเข้ามาประทับประคองเพื่อที่ว่าเราต้องการประทับประคองซากศพที่เต็ ม, มไปด้วยความสกปรกในเมื่อการมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านคิดว่ามันเป็นของดีและของชัว่ว เราก็มองเห็นกันชัดๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเหลวมันสุขกระบอกทุกอย่างในพระพุทธเจ้าให้พิจารณาต่อไปว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีี่เต็มไปด้วความสุขกระบอกควาสะอาดที่สภาพเป็นสากสุดอย่างนี้ ที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยที่ร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนตัวอยู่เป็นอยู่เป็นปกติคือมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในที่สุดตามในตอนท้ายตอนนี้เป็นวิปัสนายานตอนต้นเี็นในร่างกายสุขปรกร่างกายเหมือนก็สร้างศพ แยางศพเนา่าชั้นใดร่างกายของเราก็เน่าเหมือนกันร่างกายของบุคคลอื่นก็เน่าเหมือนกันก็ต่างคนต่างเนา่าแล้วเราก็จะไปรักคนเนา่าเราจะไปประครับประคองคนเนา่าหรือว่าเน่าต่อเน่ามันจะรักกันมันจะประครับประคองกันก็ช่างมันอย่างไงหรอือแต่ว่าจิตใจของท่านไม่ได้คิดนี่ว่าจริงท่าไหร่แล้วนั้นมันเนา่า ที่เราปรารถนาและเข้าใจว่ามันดีมันสะอาดมันสวยสดงดงามมัโส่งส่งดีเราคิดอย่างนี้ต่างหากเราไม่ได้คิดว่ามันเน่าถ้าเราคิดว่ามันเน่าเสรแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรอาการที่นหน้ารังเกียจมันก็ไม่มีมันก็อาการที่หน้ารังเกียจมันก็จะมีขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะระคับประคอวถ้านี่เราไม่ได้เน้น เราไม่ได้คิดคิดที่ว่ามันดีอยู่ตลอดเวลาทอนนี้อสงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแนะนำความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาสอนเลยเอาของจริงที่มันมีอยู่ที่อารมณ์เรามันชอบฝืนความเป็นจริงมาสอนท่าน้พูดกันแบบภาษาชาว บ, บ้านก็บอกว่านี่อย่างโง่ทึมทึกมากเลย ไอ้แบบโง่งเง่าเต่าตนอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์จงมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันสกปรกไอ้สร้าศพที่เราเห็นก็คือร่างกายสภาพแบบเดียวกับเราแต่เราก็มีสภาพเป็นสร้าศบพบแบบนั้นร่างกายของบุคคลอื่นก็มีสภาพเป็นสร้าศพแบบนั้นทําไมจะต้องไปประคับประคองเป็นหลวงหลายฝ่ายฝัน และก็จงจําไว้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายขเขาบุคคลอื่นพอดีมีสภาพเหมือนกันคือเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมการสลายตัวไปในที่สุดเห็นคนเ่งเขาตายก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปอันนี้ตัวท้ายนี้เป็นวิปัสสนาญาณ เรื่องไม่อมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปทั้งว่ายังไงย่อมพิจารณาเห็นธรรมดายคือความเกิดขึ้นภายในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาห็ธรรมดายคือความเกิดขึ้นแล้วก็ความเสื่อมไปในกายบ้างนี่เป็นอันว่า ให้พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดามันไม่ใช่ของผิดธรรมดาความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในกายเหมือนกายเราก็ดีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายภายนอกคือกายเขาบุคคลเองคนงดี แค่ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในและกายภายนอกก็ดีนี่มันเป็นของธรรมดาในเมื่อเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาฉะนั้นจะมีอะไรมาเป็นทุกข์นี่เราก็น้อมเข้ามาหาอริยสัจนี่พระพุทธเจ้าท่านเทศอริยสัจแต่เราฟังอย่างนี้บางทีไม่รู้เลยว่าเป็นอริยสัจ ฟังกันถุยไปก็ได้เพราะว่าบางท่านที่มีความฉลาดคอที่เรียกว่ามีบารมีดีคือมีบารมีสิบครบทวนมีเจรณะสิบห้าครบทวนมีที่บาสีครบทวนถ้าว่าทั้งสามรายการนี้ครบทวนผมว่าผมไม่ต้องมานั่งอสอนอีกแล้ว ไม่มีอะไรสอนแลพวกท่านเป็นพระอริยเจ้าไปหมดแล้วแต่ว่าที่ยังมีการท่านนองอยู่เห็นนนเสียนินี่เสียนลอยสีนั่นนิตินี่ลอยไอ้นนท์ไม่ดีไอ้หนี่เสียมีความเลวมันยังมีอยู่มากในจิตเพราะจิตเนี่มไม่ได้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเลย ยังมีความทันลงอารมณ์จิตยังพ่อควรว้า ด, ด้กินเหล็พูดภาษาไทยไทยกันได้ว่าความเลวยังเลยหัวอยู่นี่ไม่ได้ได่าใครนะพูดให้ฟังลดอารมณ์อย่างนั้นเสียว่าอะไรบ้างในโลกเนี่ยที่มันจะต้องทรงอยู่เป็นปกติธรรมดาของมันยอมรับหรือรับถืออย่างนั้นเพื่อทำจิตให้มันดิ้นรนเกินไป ทีเจอนาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นของธรรมดานี้เราฟังกันมันหลายครั้งหลายเที่ยวแต่ก็ยังขาดสติสมะจัญญายังขาดปัญญาเอาเรจีไปที่ไปเถอะเพราะว่าเขาไม่ฟังกันอย่างนี้เขาไปสวรรค์ได้ถ้าฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่อง ยังตินอนยังตินี่ยังถ้ายังติอยู่มากเพียงใดเรายัางเลวมากเพียงนั้นแล้วก็ยังไม่รู้จักการไม่รู้จักสมัยไม่าารู้จักราชเพียงใดเราก็ยังเลวมากแต่ง น, นความเลวเป็นปัจจัยให้ดงสว่างไยภูมิอริยศัสตร์มีฟังกันทุกวันนะรู้หรือเปล่าว่าฟังอริยศัสตร์ไม่รู้ นี่สำหรับมหาติปฐานนักศึกษที่วัดนี้สอนมาสามรอบแล้วก็เป็นกิจกาศสอนกันมาไม่รู้เท่าไหร่ญาณิพนา์ตึกตั้งหลายรอบาธรรมฐานสี่สิบว่าสอนกันมาสองสามรอบนางปตาจาราเข้าฟังกี่รอบฟังอะไรบ้างแล้วถ้าไมท่านจึงได้เป็นพระอรหรันต์นั่นก็เป็นเพรเลิศท่นในด้านพระวินยัย ถ้าเราฟังกันเท่าไหร่ทำไมคือไม่ได้รู้จักรประมาณใจรู้จักรประมาณตัวรู้จักการยับยั้งรู้จักมีสติสัมปชัญญะจำคำสั่งและคำสอนองค์สมเด็จตัสสัมมาสั ม, มพุทธเจ้าไว้คำว่าธรรมดาให้รู้จักรธรรมดาไว้ให้เป็นปกติคนที่มีความวุ่นวายติโนตนิมี คนประเภทนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมดาคำว่ า, าตินี่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะทุกคนน่ยยังมีอะไรที่ต้องติอยู่ไหมว่านั่งก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ชอบใจพวกเรายังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ก็เพิ่ทราบเบอรกิเลตมันเลยหัว ยอมรับและถือกฎของธรรมดาเนี้นอกจากจริยาที่จะ่ผิดเพื่ธรรมวินยัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นธรรมดาแบบนี้ถ้าจิตเรายอมรับรับถือกฎของธรรมดาอะไรมันมีมาก็ถือว่านั่นมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปติเชิงใดที่แก้ไขไม่ได้จะไปแก้มัน อย่าไปแก้ในสิ่งนะั้นอย่าไปแก้ที่ทวัตถุอย่าไปแก้ที่บุคคลมาแก้ที่ใจเราเพราะทสิ่งทุกอย่างมันเป็น ธ, นธมม ร, นรรมดาทํมมาไมเราจริงจะต้องเดือดร้อนทําไมเราจริงจะต้องดิกขรนอารมณ์ของธรรมดานี่เป็นอารมณ์ของโคตระภูยานคืออารมณ์จิตที่ย่ก้าวเขาว้าไปสู่ความเป็นประโสูตดาวัน เรื่องพันโซนลา ส, าสิกิาคานาคารหันฟังกันมาเยอะแต่เปลา่าอย่างอย่างที่ที่ที่ยังหนาอยู่มากๆกม็มีบางทท่งก็บางไปมากและบางบางทีบางรายก็ยิ่งฟังยิ่งหนากม็มีมาเป็นที่หน้าเส้นได้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเหนื่อยเหนื่อยมาก ปรารถนาจใจคนมีความสุขรู้ขั้กฎธรรมดาแต่คนที่เห็นธรรมดากับหายากมีจงจำให้ดีนะฟังไว้แล้วแล้วก็จงจำไว้ด้วยจงประพฤติธปฏิบัติยัดยั้งช่างใจแยกไปคนช่างติข่างต่อช่างถ้าจะติ ก, ต, กติตัวเราตาทีพระพุทธเจ้าว่าอัตนาโยทยตานาังยิงเตือนตนในตนเองกระทำจดความโชว์ของตนเองไห้เป็นปกติ ตองกล่าวต่อไปว่าก็รู้ว่ากายไม่มีอยู่กายเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เือนั้นก็เพียงแต่สัจธว่าเป็นที่รู้คือเพียงสักธรรมเป็นที่รู้ธรรมดาของมันเป็นอย่างไรก็ช่างไไอาะไ ร, ระะมันอยากจะแก่ก็แก่อยากจะป่วยก็เชิญป่วยมันอยากจะตายก็เชิญตายมันอยากจะเน่าก็เชเน่าร่างกายของใครที่เราปรารถนาก็ต้องไม่มี เพราะธรรมดามันเร็วถ้าว่าต่อีกว่าก็เพียงแต่สัตว์แต่ว่าเป็นที่อาศัยและเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดอยู่ในกายด้วยคือไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเราไ ม, ม่มีร่างกายร่างกายไม่มีมในเราและสกายะทิฏฐิเห็นไหมท่านสอนแบบนี้นะจําให้ดีจําแล้วก็พุทธพุทธปฏิบัติ แล้วก็ทําตัวให้ได้ด้วยแย่าสักเทวฟังแล้วแย่สักว่าได้ยินแย่าสักเทวจํ า, า, าจใช้ปัญญาคิดด้วยแล้วปลบให้ได้ด้วยต้งกล่าวต่อไปว่าแล้วก็ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยก็ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจรารณาทิ้งกายในกายเลงเลอยู่อย่างนี้ถ้านี้พอ ถ้าพิจารณาหึงกายในกายเมองเนองอยู่อย่างนี้ก็ื่อว่าจิตของท่านหมดจากอาสวะกิเลสเป็นสมุเธตรหรันนั่นก็คือความเป็นพ ร, าาระอรหันอะไสำหรับการแนะนำกันในวันนี้มองดูกลมเวลากหมดสลายขอบันดาท่านหลายจงทรงกำลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในคำสอยขอ ง, องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทงด้านสมาธและวิปัสสนา ในด้านของมหาปฏิปทานลสุดโดยเฉพาะอย่างเยี่ยงในนวาวสีจงกว่าจะถึงการเวลาสงควของท่าน ส, สดี